ฟังภาษาไทยพอเข้าใจไหมฟังภาษาพม่าเข้าใจไหมพม่าไงเมียนมาเป๊ะต้อมอะไรน้าเม็งกะลาบะฟังภาษาอีสานรู้เรื่องไหมไม่รู้อีสานเรา เาไดูนะนะเพิ่มก็ต้องใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษากลางที่รับรู้รับทราบเป็นที่ทั่วไปเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลที่เมื่อมีการรับภ้าพิสุ ร, รับฉันพัะตาหารเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการ กล่าวคำอนุโมทนาคาถากิจของการกล่าวคำอนุโมทนาคาถาภากภาพที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือการสวดให้พรนันเรียกว่าการอนุโมทนาคถาการสวดให้พรด้วยภาษาบาลีชาวบ้านก็จะมีการกรวดน้ำประเภทเนี้โดยตั้งกิตอุทิศกุศลซึ่งขอให้พวกเราทั้งหลายได้ทำความเข้าใจและแยกแยะให้ออกว่า ประเพณีของการกล่าวบทสวดให้พรนั้นเป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่เขาจัดขึ้นแต่โดยความเป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ได้บัญญัติเรื่องการกล่าวอนุโมทนาคถาไว้ว่าภิกษุเมื่อรับพัตาหารฉันพัตาหารจากญาติโยมเสร็จสิ้นแล้วให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้เป็นเถระก็ได้ผู้เป็นพระที่รองจากพระเถระก็ได้เป็นผู้กล่าวอนโมตหาอนุโมทนาคถาแต่เพียงรูปเดียวไม่ใช่สวดกันเป็นกลุ่มหรือว่าสวดพร้อมเพียงกันมีกี่รูปเท่าไหร่ก็สวดยะถาวริวาูราปริปุเรนติสาครังเลยพร้อมกันอย่างนี้การการกล่าวพร้อมกันอย่างนั้นมันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่ควรที่จะกล่าว นะการกล่าวอนุทนากรถาควรจะเป็นกล่าวเพียงรูปเดียวเ mm hmm. พราะเป็นการกล่าวอนุโมทนา mm hmm. เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลาย mm hmm. ได้เห็นแจ้งในบุญกุศล mm hmm. ที่ได้กระทําไป mm hmm. ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะ mm hmm. นั่งฟังตั้งใจฟังเอามือวางไ mm hmm. ว้แต่ขอให้ตั้งจิตตั้งใจฟังมันไม่ไม่เสียความเคารพแต่ประการใดนะถ้าเราตั้งใจที่จะฟังก็คือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพแล้ว เพราะนั้นโอกาสแห่งการทำบุญก็คือโอกาสแห่งการบาเพ็ญคุณงามความดีซึ่งจะเป็นบุญกุศลรองรับชีวิตเราที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าหรือแม้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ยังต้องอาศัยบุญกุศลบุญกุศลจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องหาโอกาสทำกันอยู่เสมอ <Okay. S 1> และในโอกาสวันนี้โยมน้องก็ได้นิมนต์ตมามาหลายวันแล้วก็เลยได้ได้ได มีโอกาสในวันนี้วันวันที่จะสามารถรับนิมนต์ได้แล้วก็ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ดอยเวียงเกียงซึ่งก็ห่างไกลพอสมควรก็สามารถเดินทางมาได้ก็เลยได้ตกลงว่านะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ภิกษุได้มารับพัะตาหารเพื่อเป็นเครื่องยังบุญกุศลของญาติโยมให้ได้บังเกิด และเป็นการบำเพ็ญคุณงามความดีในฐานะของพุทธศาสนิกชนทางด้านของอุบาสบสิกาที่จะต้องในทำการทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยความเป็นพระศาสนานั้นเรามีพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาของพวกเราเองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนับถือบูชาสูงสุดในพระศาสนานี้เรามีพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนพุทธสาวก ให้ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเรามีพระสงฆ์ซึ่งเป็นแบบอย่างในด้านของการประพฤติปฏิบัตนะิสิ่งเราได้ที่จะถูกต้องตามธรรมหรือไม่เราก็ดูได้จากข้อประพฤติปฏิบัติในแง่มุมที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้พฤติปฏิบัติแต่ในเวลานีนะ้เป็นช่วงเวลาของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหลักพุทธธรรมเดิมที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลนั้นร่องรอยเก่า ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนะักเพราะเราได้เห็นความเป็นพุทธศาสนาในแง่มุมใหม่คือพุทธศาสนาในแง่ของพิธีกรรมการทำบุญให้ทานหรือบาเพ็ญกุศลใดๆก็ตามในทางพุทธศาสนาจึงเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลหรือคุณงามความดีผ่านพิธีกรรมแต่ไม่ใช่การทำคุณงามความดีหรือบุญกุศลด้วยการประพฤติตามหลักธรรมการที่เราทำคุณงามความดีหรือบาเพ็ญกุศลผ่านพิธีกรรม โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าหลักธรรมนั้นได้บอกได้สอนได้ชี้ทางให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันจึงเป็นการทำบุญกุศลด้วยความเชื่อและเป็นไปเพื่อความงมงายหลักความเชื่อใดที่ไม่อยู่ในหลักธรรมหลักความเชื่อนั้นจะเป็นโมหะโมหะคือความลุ่มหลงความลุ่มหลงนั่นเองได้ชื่อว่าเป็นความงมงายหลักปฏิบัติใดการบาเพ็ญกุศลใดที่อยู่ในหลักธรรมหลักปฏิบัติ และการบําเพ็ญกุศลนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่มีเหตุผลเขาเรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อความงมงายเป็นศรัทธาในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคําว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนานั้นเป็นความเชื่อในเรื่องของเหตุผลเป็นความเชื่อในหลักธรรมที่พวงทรงวางหลักการไว้เรื่องของการถวายทานมันมีแง่มุมที่เราจะต้องทําความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องถวายทานทําไมเราจะต้องให้ทาน พุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าบรรดาบุคคลในโลกนี้บุคคลผู้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ทานนั้นเมื่อเราได้ให้ทานแก่บุคคลผู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการให้ทานบุญกุศลจักมีผลมากมีอริสง์มากและบุคคลผู้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ทานนั้นก็คือภิกษุสงฆ์พระสงฆ์จึงได้ชื่อว่าเป็นนาบุญอันดีกว่านาบุญอั น, อ, นอันที่บุคคลพึงกระทําทั้งหลายในโลกเขาเรียกว่าเป็นเขตแห่งบุญ เป็นนาของบุญเมล็ดข้าวกล้าทั้งหลายจะหว่านลงสู่ที่นาหากที่นานั้นเป็นที่นาไม่สมบูรณ์เป็นที่นาที่แตกและแหงเป็นที่นาที่มีนาน้ําท่วมเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวกล้าทั้งหลายที่หว่านลงไปก็ไม่สามารถยังผลประโยชน์ให้แก่ชาวนาได้หากเมล็ดพันธุ์พืชแห่งข้าวกล้าที่มนุษย์ทั้งหลายได้หว่านลงในนาอันดีนาที่มีปุ๋ยดี น้ำก็พอเหมาะดินก็พอดีพอเหมาะข้าวกล้าทั้งหลายย่อมเจริญงอกงามและให้ผลมากเกินกว่าความประสงค์ของชาวนาเขาเรียกว่าให้ผลเพิ่มพูนพระองค์จึงบอกว่าพระสง์นั้นได้ชื่อว่าเป็นนาดีในความหมายคําว่าสง์ในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่โกนหัวลดและข้ามาบวบเป็นพระสง์ได้เลยอันนั้นเขาเรียกว่าสมุติสง์สมุติสง์นั้นเป็นสง์ที่ไม่ได้ชื่อว่าสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมมติสูงเป็นสูงที่เพียงแค่ผ่านพิธีกรรมการอุปสมบทขึ้นมาในความหมายคำ ว, ว่าสงฆ์สาวผ ข, ของพระสัมมาสัมพุเจ้านั้นหมายถึงว่าบุคคล ผ, ผู้ผ่านการอุปสมบทมาเป็นนักบวชแล้วจะต้องเป็นสุปฏิปโนคำว่าสุปฏิปโนหมายถึงว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปแปลว่าดีปฏิปโนแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราทั้งหลายสวดกล่าวคำระลึกถึงพระสงฆ์ในบทที่ว่าสุปฏิปโนภะคาวโตซาวะกะสังโค กุชุปติปโนภควโตซาภกสังโคญายะปฏิปโนภควาโตซาภะกสังโคสามีจิปฏิปโนภควโตซาภกสังโคบทบทนี้เป็นบทที่แสดงออกถึงความเป็นสงสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือบุคคลผู้บวชเข้ามาแล้วจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปโนจะต้องปฏิบัติตรงญายปฏิปโนจะต้องปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์สามีจิปฏิปโนจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นผู้สมควรแก่การรับของทานจากชาวบ้าน เพราะฉะนั้นในความหมายแห่งความเป็นพระสงฆ์นั้นจะต้องเป็นพระสงฆ์โดยการประพฤติปฏิบัติเมื่อนักบวชเหล่าใดที่ได้บวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในล่องรอยของพระธรรมวินัยหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมนักบวชเหล่านั้นแม้ผ่านพิธีกรรมมาสงจะยกขึ้นเป็นผู้บวชในศาสนาก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสังฆสรารนังขัตฉามิ พระสงฆ์ที่เราจะยึดถือเป็นที่พึ่งได้นั้นจะต้องเป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพราะสงฆ์เหล่านั้นจะทำบุญกุศลของพวกเราที่ได้ถวายทานแก่ท่านให้มีผลมากให้มีอนิสงมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวสอนเป็นคำสอนการรกับพัะภิกษุอยู่เสมอว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงยังศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ก็เมื่อพวกเธอยังศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์แล้ว ทานของมหาชนจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากในข้อคํากล่าวนี้เป็นคํำกล่าวอบรมเป็นโอวาสสั่งสอนสลับภิกษุให้ตรัสในคุณค่าของศีลสิกขาบทศีลสีกขาบทของภิกษุทั้งหลายที่ปรากฏเป็นที่ทั่วไปแม้กระทั่งชาวบ้านเองก็รับรู้รับทราบว่ามีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างพวกเราก็รับรู้รับทราบหากศีลสีขาบทเหล่านั้นภิกษุไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติ เท่ากับเป็นผู้ฤทธิ์รอนบุญกุศลให้ของชาวบ้านที่ได้เป็นผู้ได้ให้ทานนั้นน่ะทำให้บุญกุศลนั้นลดน้อยถอยลงไปหรือจนกระทัง่งไม่เกิดเป็นบุญฉะนั้นแล้วพระพิสุสงฆ์ซึ่งผู้เปรียบเสมือนนาบุญนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่ตั้งแห่งการให้ทานในบุคคลผู้ควรให้ทานในโลกนี้ภิกษุผู้เป็นสุปฏิปโนนั้นนั่นเอง ที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับชาวบ้านได้เรียกว่าเป็นสังขังสารนังกัฉามิส่วนนัก บ, บวชใดก็ตามที่ไม่ประพฤติตามหลักธรรมจะไม่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้เลยเพราะว่าชาวบ้านจะต้องอาศัยบุญกุศลเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่สามารถบําเพ็ญคุณงามความดีที่สูงส่งไปยิ่งกว่านี้ได้อีกนะการให้ทานจึงเป็นสาระสาคัญอย่างหนึ่งกเรียกว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพื้นฐานแห่งการดํารงชีวิตเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นต้องอาศัยการให้ทานหากมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ให้ทานแล้วก็เท่ากับว่ามนุษย์ไม่ได้ให้สิ่งที่ อำนวยความเป็นอยู่ในชีวิตของตนให้เป็นไปได้เพราะมนุษย์จะต้องอาศัยความเป็นอยู่โดยอาหาร <c oughs> เครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องปัใจจัยใช้สอยอย่างอื่นๆ อ, อีกจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้หากปราศจากเครื่องอาศัยทั้ง4ประการหรือปัจจัยองค์ประกอบอย่างอื่นอีกมากมายมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้อาหารเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น พระเจ้าบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่เคยให้ทานมาแต่ปางก่อนเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถได้รับสิ่งที่เรียกว่าอาหารหรือเครื่องโอุปโภคใช้สอยแม้แต่บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่มนุษย์ได้มาในปัจจุบันนี้ก็เนื่องมาจากบุคคลผู้นั้นได้ให้ทานไว้แต่ปางก่อนอดีตเคยมีเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มาเกิดในท้องของหญิงขอทานปกติหญิงขอทานานางนั้นจะขอทานได้ อาหารพออิ่มในแต่ละมือ้อคือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พอเลี้ยงชีพตัวเองไปได้ในแต่ละมือ้อคืออิ่มไปวันๆหนึง่งก็พอได้อยู่แต่ให้มากกว่านั้นเขาเขาไม่สามารถที่จะได้มากเกินกว่านั้นพราะเขาได้ให้ทานไว้น้อยหรือลังเกียจการให้ทาน <c oughs> ก็เคยให้แต่ให้แบบลังเกียจเวลาไปขอทานคนอื่นเขาก็ให้แบบรังเกียจอย่างเงี้ยคือไม่พอใจในการให้ทานทีนี้มีเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่เคยให้ทานมาแต่ปางก่อนเลย และปฏิเสธการให้ทานและห้ามการให้ทานของคนอื่นมาบังเกิดขึ้นในท้องของหญิงขอทานนั้นปรากฏว่าเด็กคนนั้นเมื่อเข้าสู่คันของหญิงขอทานนั้นหญิงขอทานนั้นไปขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครให้ก็เป็นความแปลกประหลาดขึ้นมาว่าตั้งแต่ตั้งท้องเด็กคนนี้ขึ้นมาทําไมไปขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครให้ต้องคอยเก็บเศษอาหารที่บรรดาขอทานเราอื่นที่เขาทิ้งแล้วเอามาเลี้ยงชีพเป็นอาหารพอที่จะเป็นไปได้ก็อดอดอดอดยากไปพอคลอดลูกเด็กคนนี้คลอดออกมา พอคลอดออกมาแล้วนางก็อุ้มไปขอทานในที่ต่างๆในวันไหนที่อุ้มเด็กคนนี้ไปขอทานจะไม่ได้อาหารแต่ถ้าวันไหนวางเด็กคนนี้ไว้ในที่อยู่ของตนแล้วไปขอทานแต่เพียงผู้เดียวจึงพอได้อาหารในวันนั้นด้วยเหตุนี้นี่เองจึงเป็นความสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรพระเจ้าจึงทรงทราบด้วยสัพพัญญุตยานจึงรู้ว่าอดีตชาติของเด็กคนนี้เขาลังเกียจการให้ทานเขาปฏิเสธการให้ทานเขาไม่ยินดีในการให้ทาน มันก็เลยเกิดเป็นผลบุญคืออะไรก็ถูกติดกั้นไปหมดเพราะฉะนั้นปัจจัยของความเป็นอยู่ของชีวิตของเราย่อมมีมูลเหตุมาแต่เบื้องหลังเบื้องหลังก็คือกุศลกรรมที่เราได้ทาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบมูลเหตุแห่งการกระทำคือกุศลกรรมแล้วและเราก็ได้ปารถถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำและเราก็พึงพอใจในการกระทำเราจึงเป็นผู้อบอุ่นใจเบาใจสบายใจได้เลยว่า เราได้กระทําบุญไปแล้วในชาตินี้อนาคตการหรือสิ่งที่ชีวิตเราจะเป็นไปในอนาคตหลังจากละชีวิตไปเราจะต้องไม่เป็นผู้ตกยากตกระกมลําบากไม่อดอยากขาดแคลนหรืออยู่ด้วยความแหลนแค้นยากแค้นด้วยการสแสวหาอาหารนะบุคคลให้ทานแล้วไปเกิดในที่ใดๆก็ตามบุคคลผู้นั้นจะมีเครื่องบริโภคเครื่องใช้สอยนะอาหารการกินอยู่ไม่ขาดสายอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้แม้แต่พระองค์ยังกล่าวกล่าวไว้ว่า การที่ตถาคตได้รับการสักระบูชาด้วยอาหารการกินจากชาวบ้านนั้นก็สืบเนื่องมาจากครั้งพุทธการพระองค์เคยให้ทานไว้แต่ปางก่อนสิ่งที่เราได้เห็นได้ชาติก็คือในชาติของความเป็นพ่อใบสันดรที่พงค์ได้ทรงบําเพ็ญทานบารมีถึงขั้นสูงสุดนั่นคือสิ่งที่พงค์เคยได้สละไว้สิ่งที่พระองค์ทรงสละไว้ได้มาหนุนความเป็นอยู่ของชีวิตของพระองค์ในชาติปัจจุบันในคราที่เป็นสมมาสัมพุทธะไปบินนาบัติที่ไหน ก็ไม่เคยขาดแคลนอาหารพ่อพระองค์เป็นผู้ได้ให้ทานไว้และทานเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นกับพระ อ, องค์จนล้นเหลือไปถึงชนเหล่า อ, อื่นที่ก็เรียกว่าเป็นพวกกินเดนกินเดนหมายว่ากินเศษอาหารที่เหลืออยู่ของคนอื่นพวกกินเดนเหล่านั้นได้ติดตามกลุ่มของพุทธองค์ไปไปในที่ไหนไหนก็จะไม่ขาดแคลนเขาก็ติดตามกลุ่มของพุทธเจ้าไปแต่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอาศัยทานบา ร, รมีของพระุทธองค์นั่นเองเป็นเครื่องอาศัยชีวิต พะพุทธองค์ก็บอกพิสูจทั้งหลายว่าอาหารทั้งหลายที่เหลือจากการให้ทานของชาวบ้านนั้นพึงมอบให้ให้แก่บุคคลผู้กินเดชเหล่านั้นเถิดพิสูจน์ทั้งหลายก็มอบให้แก่บุคคลผู้กินเดชเหล่านั้นก็มีจํานวนมากในครั้งพิธการที่ติดตามกลุ่มพุทธองค์อยู่นี่คือเรื่องราวของการให้ทานซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายก็คุ้นเคยในการกระทำํำในโอกาสแห่งการทำกุณงาพรดีนี้นอกเหนือจากการให้ทานแล้วเราก็ได้มา ฟังรร ม, มเทศสนาซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องราวทางศาสนาที่เราจะได้รู้ยิ่งขึ้นไปสาระสำคัญของการให้ทานนั้นไม่เพียงแค่ทำเอาบุญกันเท่านั้นหรือคาดหวังเอาบุญหรือปรารถนาว่าขอบุญนี้จงบันดาลให้เราได้พ่อขัพย์หรือมีพ่อขัพย์หรือมีโชคมีลากเข้ามาถึงแก่ชีวิตของเรามันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่การให้ทานนั้นมันมีความมุ่งหมายไปที่ว่าบุคคลผู้ให้ทานนั้น จะได้ประโยชน์3ประการประการแรก1บุญกุศลเราก็ได้ทำไว้แล้วเพื่อตัวเราประการที่2องพิสูจนทั้งหลายผู้ไม่ได้ทําอาหารการกินคือไม่ได้ทําการงานเลี้ยงชีพมีเพียงแค่ภาชนะบาตรใบเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีพโดยการอาศัยบาตรเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้ขออาหารจากชาวบ้าน ด้วยความเป็นอย่างนี้นี่เองการให้ทานแม้ครั้งเดียวก็ได้ชื่อว่าทําให้ภิกษุสงฆ์สามารถดํารงอยู่ในเพศภาวะของพระภิกษุได้หากพระิกษุพระภิกษุไปบิณาบาต ท, ที่ไหนแล้วญาติโยมไม่ให้ทานภิกษุก็ไม่สามารถดํารงเพศแห่งความเป็นภิกษุได้แน่นอนว่าศาสนาคงจะไม่มีปรากฏให้เราเห็นในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ให้ทานนั้นได้ชื่อว่าทําความเป็นอยู่ของพระภิกษุนั้นให้ดํารงอยู่ได้ และประโยชน์อันที่สองก็คือการทําบุญแก่พระพิสูจนนั้นเกิดเป็นผลบุญและผลบุญนี้นี่เองจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละชีวิตไปบุคคลผู้ละชีวิตไปแล้วในโลกนี้ไม่ไม่ได้สาบสูญหายไปไหนพระเจ้าทรงทราบด้วยสัพพัญญุตยานว่าบุคคลผู้ละชีวิตไปแล้วจะดํารงอยู่ในภพภูมิตามภาวะแห่งความเป็นอยู่ด้วยกรรมที่เขาได้กระทำทำกรรมดีมาก็ดํารงอยู่ในภพภูมิของความเป็นเทวดา ทำกรรมไม่ดีมาก็แบ่งผลแห่งการเสวยกรรมตามกําลังแห่งกรรมนั้นมากหรือเบาบางเพียงใดเช่นเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานบ้างเปรตดบ้างปีศาจบ้างอสุรกายบ้างหรือแม้กระทั่งตันรกทีนี้มีญาติาทิพย์บางกลุ่มที่อยู่ในฐานะของเปรตดซึ่งเป็นผู้รับส่วนบุญส่วนกุศลของพวกเราผู้เป็นมนุษย์ได้การทําบุญให้ทานแล้วเกิดเป็นบุญกุศลนั้นสามารถยังประโยชน์สําเร็จ ให้แก่ผู้ที่ละชีวิตไปแล้วนั้นที่อยู่ในฐานะเปรตซึ่งเป็นผู้ฐานะแห่งการรับบุญนั้นยังรับบุญกับเราพวกเราได้บุญจึงมีความสําคัญแก่ผู้ที่ละชีวิตไปพรงศ์จึงบอกว่าเมื่อกระทําบุญในคราวครั้งใดก็ตามพึงระลึกถึงบุคคลผู้ละชีวิตไปซึ่งบุคคลผู้นั้นคือผู้มีอุปการะคุณต่อเราปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราที่ละชีวิตไประ ล, ลึกถึงเขาแล้วอุทิศบุญให้นั่นคือประโยชน์สําหรับผู้ที่ละชีวิตไป ประโยชน์3ประการนี้ก็บังเกิดขึ้นในการทําทานเพียงแค่ข่าวครั้งเดียวอาตมาจึงเพิ่มประโยชน์อันที่4ี่ที่จะให้พวกเราได้ทราบความสําคัญในประโยชน์ที่พวกเราได้ทําให้การให้ทานนั้นประโยชน์อันที่4ก็คือประโยชน์ของการสืบต่อหรือดํารงอยู่ของพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าความเป็นอยู่ของพุทธศาสนานนนต้องอาศัยพระพิสุอาศัยชาวบ้านอุบาสกวาสิกาผู้เป็นผู้ทํานุบํารุงเลี้ยงดูหากขาดการให้ทานแก่พิสุสง์แล้ว ศาสนาจะไม่สามารถสืบต่อเป็นไปได้ภายในภาคหน้าการที่เราได้ให้ทานเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำศาสนานั้นให้สืบต่อแต่ศาสนาที่จะสืบต่อนั้นควรจะเป็นศาสนาที่อยู่ในหลักของการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่อยู่ในเพียงของพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมนั้นเป็นเพียงแค่การกระทำไปเป็นพิธีเท่านั้นการประพฤติกิจทางศ า, า, าสนาหรือให้ทานผ่านพิธีกรรมนั้นไม่ได้ยังคุณนับประโยชน์ ที่จะเป็นเครื่องสืบต่อศาสนาให้เป็นไปได้พระเจ้าจึงตรัสชี้บอกให้พวกเราได้รู้จากการสืบต่อศาสนาคือให้สืบต่อศาสนาโดยการให้ทานแก่บุคคลผู้เป็นสุ ป, ปฏิปโนภิกษุทั้งหลายผู้ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละหลักธรรมหลักวิกในัยบางประการาที่ดูเหมือนญาติโยมจะไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าที่ควรซึ่งจะได้พูดถึง ในโอกาสนี้ให้เราได้ทรา ح. บบรรดาวัตถุทานทั้งหลายญาติโยมก็จะทราบกันอยู่ดีว่าเราเรามีอาหารเป็นวัตถุทานมีปัใจจัยใช้สอยอย่างอื่นคําว่าปัจจัยนี่เองได้ถูกตีความหมายผิดในหมู่ของชาวพุทธเราปัจจัยนี้เราถูกเราเรามองไปว่าไปเป็นเงินหรือว่าเป็นทรัพย์ทรัพย์อะไรบางอย่างที่เป็นมาตราในการซื้อขายในความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ เราได้มองว่าตัวเงินหรือทรัพย์บางอย่างเนี่ยคือปัจจัยอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยสเราจึงได้นําเงินหรือทรัพย์บางอย่างไปถวายกับพระพิสุซึ่งในทางพระวินัยนั้นพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าเงินหรือทองหรือทรัพย์อันใดก็ตามที่มีมูลค่าเงินหรือทองเหล่านั้นไม่ควรนํามาเป็นเครื่องถวายทานแก่พระภิกสุเพราะว่าภาิกษุทั้งหลาย ผู้บวชเข้ามาคือผู้ที่สละเงินและทองแล้วการที่ภิกษุถนายเป็นผู้สละเงินและทองแล้วนั้นจักมาเป็นผู้รับเงินและทองอีกครั้งในขณะที่เป็นนัก บ, บวชอยู่นั้นย่อมไม่ควรสมณะเหล่าใดหรือภิกษุเหล่าใดผู้รับเงินและทองมาไว้เป็นของจำเพาะตนสมณะเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำความคุณของความเป็นสมณะนั้นให้สูญเสียไปหมายถึงว่าไม่ได้ทาให้คุณค่าของความเป็นสมณะนั้นให้เจริญขึ้น แต่ชาวบ้านไม่รู้และก็ไม่เข้าใจเมื่อชาวบ้านไม่รู้และไม่เข้าใจจึงเกิดมีประเพณีของการเอาเงินใส่ซองถวายพระเพราะเข้าใจว่าเราได้เอาเงินถวายพระเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความเคยชินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจผิดฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาตมาต้องการจะบอกพวกเราให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องราวทางาศาสนาที่พงทรงบัญญัติไว้นั้นเพื่อให้พวกเราได้รู้จักการทาบุญให้ถูกบุญ เพราะถ้าเราเอาเงินไปถวายพระนั้นแม้จิตใจเราประสงค์จะทําบุญก็จริงแต่สิ่งที่ให้ไปนั้นมันไม่ได้เป็นวัตถุแห่งการที่ตั้งแห่งการทําบุญมันจะเกิดเป็นผลบุญไม่ได้เพราะวัตถุนั้นไม่ใช่วัตถุอันเป็ที่ตั้งแห่งการทํบบ า, ทาทบุญเลยสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญที่ภิกษุ ต, กต้องการก็คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ อ, อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้นี่เองคือสิ่งที่ เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งการทำบุญสําหรับชาวบ้านส่วนเงินทองนั้นเป็นข้อห้ามในทางพระบัญญัติพิสษุเองก็ไม่ควรที่จะรับหมายถึงว่าพิสูจนจะต้องรู้ตัวในตัวของพิสูจนเองว่าเราไม่ควรรับเงินและทองเมื่อพิสูจนรู้ตัวในตัวเองว่าเราไม่ควรรับเงินแ ล, และทองก็ควรจะกล่าวบอกห้ามกับญาติโยมทั้งหลายผู้นําเงินทองมาถวายแก่ตนหากพิสูจน์เราใดไม่บอกกล่าวห้ามเงินทองนั้นมาถวายแก่ตนญาติโยมเอาถวายแล้วตัวเองก็รับพิสูจนนั้นถือว่าเป็นผู้ต้องโทษในทางพระวินัย การที่เป็นผู้ต้องโทษในทางพระวินัยนั้น<ะ>ไม่ได้เชื่อว่าเป็นสุปฏิปโนในทางาพระพุทศาสนาหมายถึงว่าพิสูจนนั้นไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลักธรรมหลักวินัยเมือ่อพิสูจไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลักธรรมวินัยทานที่มหาชนได้ทําบุญด้วยย่อมไม่มีผลมากไม่มี อ, อนิสงส์มากและไม่ได้เชื่อว่าเป็นการสื่อต่อศาสนาให้เป็นไปได้ในทางที่ดีที่ถูกต้องเห็นไหมการทำผิดเพียงแค่ครั้งเดียวมันทําลายประโยชน์หลายประการในสิ่งที่เราได้กระทําเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทำการศึกษาเรียนรู้และอย่าทำบุญผ่านพิธีกรรมแต่จงทำบุญผ่านหลักธรรมที่วงทรงสอนคือมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราทำนั้นให้ได้สําเร็จเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเราจะปฏิบัติยังไงเราต้องการจะเอาเงินทำบุญแล้วทำยังไงในความหมายที่พระเจ้าทรงบอกว่าห้ามพิสูจ์รับเงินรับทองนั้นไม่ใช่ว่าญาติโยมจะไม่ขนขวายปัดใจสด้วยทรัพย์ของตนไม่ใช่นะไม่เอา ผู้เจ้าไม่ให้เอาเงินถวายพระแล้วก็ไม่ไม่เอาเงินเลยเงี้ยไม่ไม่เอาเงินไปทําบุญเลยไม่ใช่อย่างนั้นคง ก, ก็เปิดโอกาสไว้อยู่ว่าหากพิสูจน์เราได้ปาธนาสิ่งใดๆก็ตามที่ประกอบไปด้วยปัจจัย4คือเครื่องดํารงชีพของพระพิสูจให้พอเป็นไปได้นั้นภิกษุ พ, พึงแสดงคนวัดหรือใครก็ได้ที่เป็นโยมต่อคนผู้ประสงค์จะเอาทรัพย์นั้นทําบุญใครก็ได้ที่เป็นคนวัดที่ดูแลเรื่องต่างๆของพิสูจน์อยู่ แล้วบอกว่าทรัพย์นั้นควรอยู่ในมือของไวยาวัจกรหรือคนวัดหรือผู้ทํากิจแทนหมู่พิสุสงฆ์แต่ทรัพย์ไม่ควรที่จะอยู่ในมือของพิกสุนะเพราะถ้าถ้าซับมาอยู่ในมือของพิสุแล้วมันก็จะทําลายหลักธําหลักวินัยในพระศาสนาที่พงษ์ทรงบัญญัติไว้พองษ์จึงบอกว่าให้พิกษุมีคนวัดหรือวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลการที่พิกษุมีวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลนี้นี่เองจึงเป็น การเปิดโอกาสให้ภิกษุได้อาศัยทรัพย์ที่ญาติโยมทั้งหลายผู้มุ่งประสงค์จะทําบุญนั้นใช้เป็นปัจจัยสี่พโทงจึงบอกว่าภิกษุเราได้ปัถนาจีวรพึงบอกคนวัดในอาวาสนั้นที่ตนเองอาศัยอยู่ว่าอาตมาปัถนาจีวรคนวัดก็จะนําทรัพย์ที่พวกเราได้ทําบุญไว้นั้นะไปะซื้อจีวรมาถวายพระภิกษุแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุสแสวงหา จีวร อ, อาหารพิธบดีที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคได้แต่จะไม่ให้พิกสุแสวงหาทรัพย์โดยประการใดๆเลยไม่ได้ยินดีในอาหารจีวรที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคที่โยมเขาให้มาแต่อยาไปยินดีในทรัพย์ที่โยมเขาให้มาเพราะการตั้งจิตยินดีในทรัพย์หรือในตัวเงินที่ญาติโยมเขาให้มานั่นหมายถึงว่าจิตของพระอพิสุนั้นพัวพันอยู่ในกา ร, รมมศุ สมณะเหล่าใดผู้ยังพัวพันอยู่ในการมาสุขได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่กระทําตนวเองให้พ้นจากความทุกข์ไม่เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ว่ได้เป็นผู้ปฏิบัติตรง<ม>เพราะฉะนั้นการทําบุญหรือทำทำคุณงามความดีในหลักของศาสนา น, นั้นนะเราจะต้องทําด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันถึงจนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นแก่เราด้วยเป็นประโยชน์แก่มูพระภิกษุสงฆ์ด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละชีวิตไปคือบุญกุศลนั้นก็เป็นตัวบุญที่สําเร็จประโยชน์ อํานวยความเป็นอยู่ที่เป็นสุขในชีวิตของผู้ที่ชีวิตไปได้และเป็นประโยชน์แก่ศาสนาที่จะสืบต่อไปในทางที่ถูกต้องด้วยเราจะเห็นว่าศาสนายุคใหม่นั้นเป็นศาสนาที่อยู่ในรูปแบบของคาหลบทรารเนียมประเพณีพิธีกรรมเป็นศาสนาที่บางสิ่งบางอย่างเราแทบจะไม่รู้และไม่เข้าใจเหตุผลแห่งการกระทําในบางเรื่องว่าทําเพราะอะไรเช่นการกรวดน้ำํำเรากลวดน้ําเพราะอะไรแล้วก็ถูกสอนมาว่าการกรวดน้ําก็คือการ อุทิศกุศลให้แก่บุคคลผู้ลาชีวิตไปนั่นคือเราถูกสอนมาถามว่าการกวดน้ํานั้นเป็นการอุทิศกุศลที่สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาชีวิตไปจริงหรือไม่พระในอาวาสก็ไม่สามารถตอบได้หรือแม้แต่ภิกษุสงฆ์ผู้บอกให้ญาติโยมบอกว่าโยมกวดน้ํานะอุทิศกุศลแล้วก็สวดยถาวริวาหาพระนั้นก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าการอุทิศกุศลการกวดน้ำน่ะเป็นการอุทิศกุศลได้สําเร็จประโยชน์จริงได้หรือไม่ทําไมถึงเกิด เกิดแบบวิธีนี้ขึ้นมานั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระเจ้าให้รู้อย่างถ่องแท้และนํามาสู่กา ร, รปฏิบัติที่ถูกต้องพุทธองค์บอกว่าบุคคลใดก็ตามได้ถวายทานแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์การถวายทานนั้นบุญสําเร็จเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ถวายเมื่อบุญได้สําเร็จเกิดขึ้นในขณะที่ถวายแล้วบุคคลผู้ถวายทานพึงอุทิศสุกสนหรือบุญนั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั้น ให้แก่ผู้ที่ล้ชีวิตไปเมื่อเราได้อุทิศบุญในขณะที่ถวายแก่สงฆ์ไปแล้วในขณะที่เราได้ถวายเปรททั้งหลายหรือญาติทิพทั้งหลายผู้รอรับผลบุญจะได้รับผลบุญในขณะนั้นทันทีหมายถึงว่าการอุทิศบุญในขณะที่ถวายทานนั้นมันสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่แล้ชีวิตไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปกรวดน้ําและอีกประการหนึ่ง เรามักจะติดนิสัยของการรับพรจากพระพิสุเมื่อได้ถวายทานการติดนิสัยรับพรนี้ก็เป็นเรื่องราวของพิธีกรรมอันหนึ่งที่จัดอยู่ในความงมงายเพราะในความหมายควาว่าพรที่พระองค์ทรงกล่าวถึงกับพรแปลว่าความประเสริฐหรือว่าความดีนั่นเองที่เราได้ทำเมื่อเราได้ปลารบการทำคุณงามความดีเช่นถวายทานในวันนี้แล้วเราก็ได้ถวายของทานนั้นแก่หมู่พระพิสุสงการได้ทาบุญถวายทาน เสร็จสิ้นแล้วพรก็บังเกิดเป็นผลสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเหมือนกันในขณะที่ทําพรไม่ได้เกิดจากการที่ที่พระพิสูจน์ได้สวดบทธรรมเช่นยถาวริวาหาให้กับพวกเราเมื่อพิสูจน์สวดบทยะถาวริวาหาแล้วเรากรวดน้ําเราจึงจะชื่อว่าเป็นการรับพรอันนั้นเป็นการการะทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นหลักของการปฏิบัติผิดเพราะเราไม่รู้ว่ายถาวริวาหาปุราปริปเรติสาครังนั้นมันคือคําที่บอกให้พวกเรา ทำอะไรพราะเราไม่ทราบนั่นเองเราจึงยึดถือผิดพระองค์ทรงเปรียบเทียบการให้ทานว่าประดุดดังห่วงน้าใหญ่หมายถึงว่าจิตใจของบุคคลผู้ที่ปาราลบจะให้ทานนั้นหรือถวายทานนั้นประดุดห่วงน้ําทะเลแห่งมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่นะเป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากการที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบของบุคคลผู้ให้ทานว่าเป็นห่วงน้ําที่ยิ่งใหญ่นั้นนั้นหมายถึงว่า สิ่งที่เราทั้งหลายได้ถวายทานและทําบุญนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และนํามาซึ่งบุญกุศลอันหาประมาณไม่ได้ซึ่งเป็นไม่สามารถประมาณในบุญกุศลนั้นได้ว่ามากไปเท่าไหร่ผู้องค์ใช้คําว่าอับประ مير ยังไม่สามารถประมาณได้ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนพู้องค์จึงบอกว่ายถาวริวาหาปุราปริภุเรติสาครังซึ่งแปลว่าห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมบุญสาครให้เต็มเปี่ยมได้ชั้นใด เอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกปติทานที่ท่านได้อุทิศย่อมสําเร็จแก่พุทธิลาโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นข้อความเบื้องต้นเปรียบเทียบจิตใจของบุคคลผู้ให้ทานว่าประดุดดังห่วงน้ําใหญ่ที่ยังสมุดสาครให้เต็มเปี่ยมหมายถึงว่าเราได้ให้ทานแล้วอันยิ่งใหญ่นี้และอุทิตบุญให้แก่พุทธิลาชีวิตไปบุญ น, นั้นก็จะยิ่งใหญ่เต็มเปี่ยมประดุดดังสมุทดสาครที่รอรับน้ำํำที่เกิดจากการทําบุญให้ทานของพวกเรา ทานที่ได้อุทิศเอวามีวะอิโตดินดังเปตานอุปกปติทานที่เราได้อุทิศย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักชีวิตไปข้อ น, นี้เป็นคํากํากับตายตัวว่าบุญนั้นจะเป็นผลสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ถวายทานแล้วอุทิศคาว่าถวายทานอุทิศนั้นทานแปลว่าการให้คือให้แล้วต้องอุทิศจึงจะสําเร็จประโยชน์เพราะคำว่าอุปกปติเป็นคํากํากับตายตัวว่าเป็นผลสําเร็จแสดงว่าการกรวดน้ําไม่ได้เป็นผลสําเร็จเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ากรวดน้ําเป็นผลสําเร็จแต่พระองค์บอกว่าทานให้ทานแล้วอุทิศ จะเป็นผลสําเร็จประเพณีการประเพณีการกรวดน้ํามาจากไหนทีนี่แล้วทาไมเราถึงนิยมทํากันอัตมาขอเล่าถึง เ, เรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปว่าทั้งใแผ่นดินเรามันถูกแทรกเข้ามาด้วยประเพณีนิยมของศาสนาพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์มันแทรกเข้ามาในหลากหลายวิธีทางพราหมณ์เขาถือว่าน้ําเป็นเครื่องสื่อของโลกวิ ญ, ญญาณเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยความที่พราหมณ์เขาถืออย่างนั้น เมื่อพามแทรเข้ามาในศาสนาพุทธหรือพูดได้ง่ายว่าเราพามทั้งหลายที่บรรพบถือพุทธเนี่ยยังติดนิสัยเดิมคือใช้น้ําเป็นเครื่องสื่อของโลกวิญญาณเมื่อเขาปรารบถึงการทําบุญกุศลให้แก่ผู้ที่รัชีวิตไปเขาจึงอาศัยน้ําทําไมถึงอาศัยน้ําเพราะไม่มาฟังคําสอนในหลักในคําสอนที่อันเป็นความเข้าใจของเราคือไม่ได้รู้จักคําสอนอันเป็นที่ความเข้าใจรู้จักคําสอนในเรื่องแค่บทสวดเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรารู้จักคําสอนในชั้นห้องบทสวดทําให้เราไม่รู้เรื่องของหลักคําสอนที่แท้จริง บทคําสอนพระเจ้าพระองค์นําไปสอนไม่ได้นําไปสวดการนําไปสอนคือนําไปบอกการให้รู้เรื่องและเข้าใจคืออาตมาบอกอธิบายไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสอนแต่การนําไปสวดนั้นคือสวดแล้วก็จบเป็นพิธีกรรมจึงกลายเป็นศาสนาในพิธีกรรมไม่ใช่ศาสนาในหลักคําสอนหากเป็นเช่นนี้แล้วการยึดถือศาสนาในด้านพิธีกรรมเราก็จะเป็นการยึดถือศาสนาด้านความงม ง, ง, ง, ง, ง, งายซึ่งตัวของศาสนาเองไม่ใช่ความงมงายหลักของศาสนาเป็นหลักแห่งความรู้เรียกว่าพุทธศาสนา ศาสนาของท่านผูรู้พุทธสาวกคือสาวกผู้มีความรู้ตามหลักของศาสนาแต่ปรากฏว่าพุทธสาวกเราเนี่ยหรือพุทธศาสนาดิกชนเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ตามหลักของพุทธศาสนามันสอนให้เห็นอะไรมันสอนเห็นความงมงายทีนี้เมื่อมันมีแบบแผนแบบนี้เป็นแบบตายตัวเสียแล้วในยุคปัจจุบันนี้เราควรจะทําอย่างไรแบบแผนก็ให้เป็นไปตามแบบแผนไปแต่ให้เรารู้สิ่งที่เป็นหลักคําสอนในอีกแงม่มุม ที่เป็นหลักคําสอนจริงๆว่าเป็นชั้นในขอ ง, ของความเข้าใจส่วนแบบของพิธีกรรมก็ให้เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่อะไรที่คนในสังคมเราส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าไปแก้ไขให้มันถูกต้องเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นไปแต่ในด้านของความเข้าใจของเราที่เราได้เข้าใจที่แท้จริงนั้นจะทําให้เราไม่งมง่ายคือไม่ติดอยู่กับพิธีกรรมอย่างนั้นไม่ติดอยู่การกดน้ําหมายถึงว่า จะกวดน้ําก็ได้ไม่กวดน้ําก็ได้จะเราจะไม่ติดนั่นคือเราไม่งมงายแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักและไม่เข้าใจในคําสอนเราก็จะติดแต่ว่าต้องกวดน้ำเท่านั้นถึงจะสําเร็จประโยชน์นั่นแหละคือความงม ง, งายมันเข้ามาแทรกอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราแล้วเมื่อความงม ง, งายเข้ามาแทรกมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความรุ่มหลงและกระแสแห่งความรุ่มหลงก็จะชักลากเราดึงไปสู่ความมืดบอดทางปัญญาคือจิตใจของเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเราได้ นั่นเราก็จะทําให้ตัวเราเองน่ยประพฤตินอกหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราจะเดินออกไปจากหลักคําสอนพระพุทธเจ้าไกลออกไปเรื่อยๆือไม่เดียวกับหันกลับมามองหลักคําสอนที่เป็นต้นบัญญัติหรือหลักสัจธรรมที่แท้จริงเราจึงอยู่ในรูปแบบของการสวดมนต์เท่านั้นและติดอยู่กับการให้พรถ้าพระไม่ให้พรเหมือนกับว่าไม่ได้บุญนะเมื่อพระโอทรงบอกว่าบุญที่เราได้กระทานั้นสําเร็จเป็นพรอันประเสริฐในชีวิตของเราแล้ว เราจะต้องไปเอาพรจากใครที่ไหนอีกเราไม่ต้องเอาพรจากใครที่ไหนอีกเพราะเรารู้แล้วว่าบุญที่เราทํานั้นเป็นพรเอาประเสริฐในชีวิตของเราแล้วเมื่อเราไม่ต้องเอาพรจากใครที่ไหนอีกก็เท่ากับว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเราได้คือพึ่งพาความดีที่เราทำน่าได้สิ่งที่สิ่งดีๆที่เราทําน่ะมันเป็นพรนั้นประเสริฐแล้วก็พึ่งพาความดีที่เราทําเมื่อเรารู้ว่าเราพึ่งพาความดีที่ตัวเราทํำเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปเอาชีวิตไปอิงอยู่กับ กับสิ่งอื่นภายนอกอะไรที่จะว่าดีก็ไมด่ดีเท่ากับการทําดีในตัวเราเราจึงไม่สแสวงหาความดีในภายนอกเราก็จะสแสวงหาความดีภายในตัวของเราเองหมายถึงว่าความดีสําเร็จประโยชน์ภายในตัวของเราเองนั่นแหละทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกเราทั้งหลายมักจะสแสวงหาความดีในภายนอกเห็ยนว่าอันนั้นดีอันนู้นดีอันอย่างนั้นดีก็ไปสแสวงหาเพื่อให้ดีๆเกิดขึ้นชีวิตนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าใจว่าที่พึ่งภายในเรามีอยู่เราจึงแสวงหาที่พึ่งภายนอก การที่เราแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าสิ่งน er ั้นจะดีสิ like ่งนี้จะดีเพราเราเห็นแต่สิ่งดีในภายนอกเราไม่เห็นความดีภายในตัวเองว่าสิ่งความดีที่เราทำเป็นพรในประเสริฐที่สุดแล้วในชีวิตของเราเราก็จะแสวงหาความดีในภายนอกนี้ไปจนวันตายแต่ถ้าเราเห็นความดีภายในตัวเองแล้วพึ่งความดีภายในตัวเองเราจะสร้างดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปภายในตัวเราแล้วเราก็พึ่งดีภายในตัวเรานั้นจนความดีนั้นพาเราไปสู่ความสุขความเจริญ ด้วยตัวของเราเองหลักคาสอนที่ว่าอัตตาหิตอตโนโนาโถจึงเป็นหลักคาสอนที่เป็นสัจจะแท้ว่าเราสามารถพึ่งพาความดีในตัวของเราได้และหลักคาสอนที่ว่ากามุนาวัตตีโลโกโชีวิตเราเป็นไปตามการการะทำของเราย่อมเป็นหลักธรรมที่นํามาซึ่งผลสาเร็จแก่การการะทำในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ถือว่าเป็นโอกาสแห่งความดีความงาม ที่ได้ปารกในการทำควา ม, วามดีในวันนี้โยมน้องซึ่งได้ไปศึกษาธรรมะที่ดอยอาตมาอยู่สมบมเสบอบางทีก็อาจจะมีแง่มุมที่ทำให้เกิดความแปลกใจในเรื่องของการปฏิบัติในทางศาสนาบ้างแต่วันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าแง่มุมที่นามาสอนมาบอกและพาทำนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การให้ทา น, นจนถึงตอนนี้เวลานี้นั่นคือแง่มุมทางศาสนาที่พระพุทธเจ้า ได้พาทรมาแต่ครั้งพุทธกาลภาพอย่างนี้เราไม่ค่อยจะเห็นอาตมาจึงทําขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นว่าครั้งพุทธกาลนั้นเขาได้ถวายทานกันอย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่พรงค์ทรงพาธทำมาแบบอย่างที่ทาทำเมื่อเช้ า, ชานี้เมื่อให้ทานแล้วก็มากล่าวคําอนุโมทนากถาว่าบุญที่พวกเราทํานั้นนนั้นได้ยังประโยชน์ให้สําเร็จในหลายๆประการและแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเราได้กระทํานั้น ตกเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ตกเป็นของคนอื่นหมายถึงว่าบุญที่เราทํานั้นจะติดตามตัวเราไปในภพนี้ในภพหน้าในภพหน้าประดุจดั่งเงาติดตามตัวไม่ว่าจะไปเกิดในที่ไหนก็ตามบุญที่เราได้วันทำในวันนี้จะติดตามปกปักรักษาคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วบุญได้ชื่อว่าเป็นความสุขการเกิดได้ชื่อว่าเป็นความทุกข์ผู้องค์ทรงตัดบอกว่าชาติปิดทุก ข, ขาความเกิดเป็นความทุกข์เมื่อเราไปเกิดแล้วเราต้องได้เจอทุกข์ในที่ที่เราได้เกิด แม้เกิดมาใน ป, ปัจจุบันนี้เราก็ได้เจอทุกในที่ที่เราได้มาเกิดแล้วคือโลกมนุษยนะ์แต่บุญที่เราได้ทําจะไปเป็นเครื่องบรรเทาทุกในที่ที่เราได้เกิดไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ไหนก็ตามบุญที่ทําในวันนี้จะตามไปบรรเทาทุกนในที่ที่เราได้เกิดนะอาตมาก็ขออํานวยอวยพรให้กับพวกเราในวันนี้ทุกทุกคนและได้ถือว่าเป็นเรื่องในวาระการทําบุญ วันเกิดของเจ้าหนูนี่ชื่ออะไรน้องทวัตชัยนี่ด้วยที่มีใจอยากจะทําบุญหอบเ ค, ค้กก้อนใหญ่มาถวายพระนะก็จะออนอวอนให้นะขออํานาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์จอบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอัตมาขอบุญทั้ง3ประการนี้ จงเป็นมหันตเดชานุภาพมีฤทธิ์มีรนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ยทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเรามาลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากบ้านหลังนี้จงบรรดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตหนุนนําจิตใจของพวกเราให้เป็นผู้เข้าถึงความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันณนะมีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุ ข, ขะมีความสุกกายสบายใจเจริญด้วยภาระมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและ ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงดุลนำจิตใจให้ก้าวล่วงจากความทุกข์ทั้งปวงก้าวล่วงจากเวรภัยทั้งปวงก้าวล่วงจากความเดือดร้อนทั้งปวงจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันาการและอนาคตการด้วยเถิน